ธรรมบทแปลเรื่องพิฆสุชาวเมืองโกสัมพีภาคที่หนึ่งเรื่องที่หพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเฉตวันทรงปรารพพวกพิฆสุชาวเมืองโกสัมพีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปะเรจะนะวิชานันติมายะเมธะยะมามหะเส เยจตถาวิชานัน ja ติตาโตสัมม ah ันต an ิเมะขาแปลว่าก็ชนเหล่าอื่นไม่รู้ตัวว่าพวกเราพากันย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสงนี้ฝ่ายชนเราใดในหมู่นั้นย่อมรู้ชัดความหมายมั่นกันและกันย่อมสงบเพราะการปฏิบัติของชนพวกนั้น ความพิสดารว่าภิกษุสองรูปคือพระวินันตอนรูปหนึ่งและพระธรรมกตึกรูปหนึ่งมีบริวารรูปละห้าร้ได้อยู่ที่โกศิตารามใกล้เมืองโกสัมพีวันหนึ่งในภิกษุสองรูปนั้นพระธรรมกตึกไปฐานส้วมคือไปห้องน้ำแล้วเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะ ที่สุมน้าแล้วก็ออกมาภายหลังพระวินัยตอนเข้าไปที่ซุ้มน้านั้นเห็นน้านั้นออกมาถามพระธรรมกติกผู้น้นว่าท่านผู้มีอายุท่านเหลือน้าไว้อย่างนั้นหรือถูกต้องท่านผู้มีอายุก็ท่านไม่รู้หรือว่าเป็นอาบัตในเพราะการเหลือน้าไว้นี้อ๋อข้อนี้ผมไม่ชาบเลยท่านผู้มีอายุ ถ้ามีรู้ก็ช่างเถอะเป็นอาบัตในข้อนี้ถ้าอย่างนั้นผมจะทำคืนอาบัตนั้นเสียท่านผู้มีอายุก็เท่าว่าข้อนั้นท่านไม่จงใจทําเพราะความไม่มีสติก็ไม่เป็นอาบัตพระธรรมกตะตึกนั้นได้เป็นผู้มีความเห็นอาบัตนั้นว่าไม่ใช่อาบัตฝ่ายพระวินัยตอนก็ได้บอกแก่พวกนิสิตของตนว่าพระธรรมกตะกรูปนี้ แม้ต้องอาบัตก็ไม่รู้พวกนิสิตพระวินัยตอนนั้นเห็นพวกนิสิตของพระธรรมกตึกนั้นแล้วก็ได้กล่าวว่าพระอุปชาของพวกท่านแม้ต้องอาบัตแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอาบัตพวกนิสิตของพระธรรมกตึกนั้นไม่แจ้งแก่พระอุปชาของตอนแล้วพระธรรมกตึกพูดอย่างนี้ว่าพระวินัยทอนรูปนี้เมื่อก่อนพูดว่าไม่เป็นอาบัต เดี๋ยวนี้พูดว่าเป็นอาบัตพระวินัยตอนนั้นพูดมุสาพวกนิสิตของพระธรรมกตะึกนั้นก็ไปกล่าวว่าพวกอุปชาของท่านพูดมุสาพวกนิสิตของพระวินัยตอนและพระธรรมกตะึกนั้นทำความทะเลาะกันและกันให้เจริญแล้วด้วยประการอย่างนี้ภายหลังพระวินัยตอนได้โอกาสจึงทา โอเคปณียกรรมคือการขับออกจากหมู่แกพระธรรมกติกเพราะโทษที่ไม่เห็นอาบัตจาเดิมแต่การนั้นแม้พวกอุปถากผู้ถวายพัดแก่ภิกษุสองรูปนั้นก็ได้เป็นสองฝ่ายพวกภิกษุณีผู้รับโอวาทก็ดีพวกอารักขาเทวดาก็ดีพวกอากาศเทวดาผู้เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนครบ ของพวกอรารักขาเทวดาเหล่านั้นก็ดีพวกปุตุชนทั้งบวงจนถึงบรมโลกก็ดีได้เป็นสองฝ่ายก็ความโกลาหนคือกล้องเป็นเสียงเดียวได้ไปจนถึงอากินิตพบตอนพระศาสดาตรัสสอนให้สามัคคีกันเพราะนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้ากราบทูลความเห็นของพวกภิกษุ ผู้ยกวัดคือฝ่ายวินัยตอนว่าพระธรรมกถาถึกรูปนี้ถูกสงยกวัดแล้วด้วยกรรมที่ชอบทํานั่นแหละและความเห็นของพวกพิสูจน์ผู้ประพฤติตามพระธรรมกถกผู้ที่ถูกสงยกวัดแล้วว่าพระอุปชาของพวกเราถูกสงยกวัดแล้วด้วยกรรมที่ไม่เป็นธรรมและความที่พิสษุผู้ประพฤติตามเหล่านั้น แม้ถูกพวกภิกษุผู้ยกวัดห้ามอยู่ก็ยังขืนเที่ยวตามห้อมล้อมพระธรรมกถึกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโอวาทไปว่าในยะว่าภิกษุทั้งหลายจงร้อมเปลี่ยงกันดังนี้ถึงสองขนเมื่อได้ทรงสดับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะเป็นผู้ร้วมเปลี่ยกันในขนที่สาม ทรงสดับฟังว่าภิกษุสงฆ์แตกกันแล้วภิกษุสงฆ์แตกกันแล้วจึงเสด็จไปสู่สำนักของเธอทั้งหลายแล้วตรัสโทษในการยกวัดของพวกภิกษุผู้ยกวัดและโทษในการไม่เห็นอาบัตของพวกภิกษุที่ถูกยกวัดนี้แล้วทรงอนุญาตสังฆกรรมทั้งหลายมีอุโบสถเป็นต้นในสีมาเดียวกัน ที่โกสีตารามนั่นเองแกเธอทั้งหลายแล้วทรงบัญญัติวัดในโรงฉันบ่าพิกษุท์ทั้งหลายพึงนั่งในแถวมีอาสนะหนึ่งอัศนะหนึ่งในระหว่างระหว่างคือเว้นช่องให้พิกษุอื่นเข้านั่งแทรกได้รูปหนึ่งรูปหนึ่งในระหว่างดังนี้เป็นต้นแกพวกเธอทั้งหลายผู้เกิดแตกราวในสถานที่ทั้งหลาย มีรงฉันเป็นต้นแล้วทรงสดับว่าถึงเดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายก็ยังเกิดการแตกเล้ากันอยู่จึงเสด็จไปที่โรงฉันเป็นต้นนั้นแ ล, ล้วตรัสห้ามว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้แตกเล้ากันเป็นต้นและได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการแตกเล้าการทะเลาะการแข่งแย่ง การวิวาทนั้นทำความชิบหายให้แท้จริงแม้นางนกและตุกีกาอาศัยการทะเลาะกันยังอาจทำพระยาช้างให้ถึงความสิ้นชีวิตแล้วจึงได้ตรัสละตุกีกะชาดกแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงพร้อมเปล่งกันเถิดอย่าวิวาทกันเลยเพราะว่าแม้นกกระจาบตั้งหลายพัน อาศัยความวิวาทกันก็ได้ถึงความสิ้นชีวิตแล้วตรัสวัตตะชาดกกรณั้นพวกภิกษุนั้นไม่เชื่อฟังพระธรรมดัตแม้อย่างนี้เมื่อภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีรูปใดรูปหนึ่งไม่ปรารถนาให้พระตาโคตเจ้าทรงลำบากได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เจ้าของแห่งธรรมะทรงรอกร่อนขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทูงมีความควรควายน้อยประกอบธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏธฐธรมอยู่เติดพวกข้าพระองค์จะปรากฏคือได้รับผลเพราะการแตกร้าวการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทนั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าถึงความที่พระเจ้าขีตีติโกศลราช ถูกพระเจ้าบรมทัติ้งเอาสมบัติปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักเสด็จอยู่ถูกจับปลงพระชนเสียและความที่พระเจ้าบรมทัตและทีขาวุกุมารได้มีความพร้อมเรียงกันจำเดิมแต่เมื่อที่ขาวุกุมารได้ให้ชีวิตของพระองค์โดยได้ตรัสดังนี้ว่าทิกษุดทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว ในเมืองพาณสีได้มีพระเจ้ากรุงกาสีพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าบรมทัตแห่งนี้เป็นต้นแม้ตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายความอดกลัน้นและความสงบเสงี่ยมเห็นป่านนั้นยังมีได้แก่พระราชาเหล่านั้นผู้มีอาจยาอันถือไปแล้วผู้มีศาสตราอันถือไปแล้ว ขอพวกท่านทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่กล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นเป็นผู้สงบส ง, งิมเบื้งงามในธรรมวินัยนี้แหละเนืองนี้แล้วก็ไม่สามารถจะทำเธอทั้งหลายเหล่านั้นให้ ร, ร้ำเปลี่ยนกันได้เลยพระองค์ทรงระอาพระไทยเพราะความอยู่เกลียนกลนนั้นและมีพระดํารีว่า เดี๋นี้เราอยู่เกลื่อนกลนโดยภิกษุเหล่านี้ลำบากภิกษุเหล่านี้ไม่ทำตามคำของเราถ้าอย่างไรเราพึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเถิดดังนี้จึงได้เสด็จเที่ยวบินด า, าทในเมืองโกสัมพีไม่ตรัสบอกภิกษุสงฆ์ทรงถือบาจีวรนองพระองค์เสด็จไปพาล ก, กะโลนคการามแต่พระองค์เดียว ตรัสเอกะจาริกวัตรคือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่แต่ผู้เดียวแกพระพระคูเทระที่พลกะโลนาการามนั้นแล้วตรัสอ น, นิสงส์แห่งความสามาัคคีแกกุลบุตรสามคนที่มิกตยวันชื่อปาจีณวังสะแล้วเสด็จไปทางบ้านปาริเลยะกะดได้สำมาครานั้น พระผู้มีพระบาเจ้าทรงอาศัยบ้านปาริเลยกะผู้อันช้างปาริเลยกะอุปตากเสด็จจำปัญษายังผาสุขที่กวงไม้สาระใหญ่ในป่ารักกิตวันฝ่ายพวกอุบาสกอุบาสิกาผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีแลไ่สู่พิหารไม่เห็นพระศาสดาจึงถามพวกภิกษุว่า ท่านผู้เจริญพระศัสดาเสด็จอยู่ที่ไหนปวงพิสดารนั้นกล่าวว่าพระองค์เสด็จไปสู่ราบป่าปาริเลยะกาสิแล้วข้อนั้นเปรเียดไรขรับพระองค์พยายามจะทําพวกเราให้พร้อมเปรียงกันแต่พวกเราหาได้เป็นผู้พร้อมเปรียงกันไม่ข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายบวชในสํานักของพระศัสด า, สดาแล้วถึงเมื่อพระองค์ทรงสมานสามกี ท่านไม่ได้เป็นผู้สามาัคคีกันแล้วหรือถูกต้องอยู่นั้นผู้มีอายุบ่วกมนุษย์นั้นมีความคิดว่าภิกษุพวกนี้บวชในสำนักของพระาศาสดาแล้วถึงเมื่อพระองค์ทรงสมานสามาัคคีอยู่ก็ไม่สามาัคคีกันแล้วพวกเราไม่ได้เห็นพระตถาคตพระอาศัยภิกษุพวกนี้พวกเราจะไม่ถวายอาสนะจะไม่ทําสามีจิกรรมมีการไหว้เป็นต้น แกภิกษุพวกนี้ดังนี้แล้วจําเดิมแต่นั้นมาก็ไม่ทําแม้สักว่าสามีจิกรรมคือการกราบบ่ายแก่ภิกษุพวกนั้นแต่าทั้งหลายสูบซีดเพราะมีอาหารน้อยโดยสองสามวันเท่านั้นก็เป็นคนตรงแสดงโทษที่ล่วงเกินแก่กันและกันต่างรูปต่างขอขอมากันแล้วกล่าวว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย พวกเราสามเมืกี้กันแล้วฝ่ายพวกท่านขอให้เป็นเหมือนเดิมต่อพวกเราทรามบูชาเลิญพวกท่านทูลขอเข้ามาพระศัสดาแล้วหรือยังไม่ได้ขอเข้ามาเลยผู้มีอายุก็ถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านทูลขอเข้ามาพระศัสดาเสียฝ่ายพวกข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนเดิมต่อพวกท่านในการเมื่อพวกท่านทูลขอเข้ามาพระศัสดาแล้วแต่ภิกษุทั้งหลาย ไม่สามารถจะไปสู่สำนักของพระศาสดาเพราะอยู่ในพรรษาผ่านภายในพรรษานั้นไปด้วยความลําบากตอนช้างป่าริเลยะกะอุปตากพระศาสดาฝ่ายพระศาสดาผู้อันช้างนั้นอุปตากอยู่ประทับอยู่สชำระแล้วฝ่ายช้างนั้นละโขลงเข้าไปสู่ราปานั้น เพื่อต้องการความอยู่ผาสุภพระธรรมสังคาหกกาจา์กล่าวไว้อย่างไรท่านกล่าวไว้ว่ากระนั้นความต ร, ตรึกได้มีแก่พระยาช้างนั้นว่าเราอยู่เกลื่อนกลนด้วยพวกช้างปลายช้างพังช้างรุ่นและลูกช้างเคี้ยวกินหญ้าที่ถูกเด็ดปลายเสียแล้วและพวกเขาคอยเคี้ยวกินกิ่งไม้ ที่เราหักลงหักลงและเราดื่มน้ำที่กุ่นเมื่อเราลงและขึ้นจากท่าพวกช้างพังก็เดินเสียสีกายไปถ้าอย่างไรเราหลีกออกจากหมู่อยู่ตัวเดียวกันนั้นแหลพระยาช้างนั้นได้หลีกออกจากโขลงเข้าไปในะบ้านปาริเลยะกะราบารกกิตวันกวงไม้สาระ และที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วก็แลรนเข้าไปแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคคือจบลงแลดูอยู่ไม่เห็นวัตถุอะไรอะไรอื่นจึงกระทืบกวงไม้สาละใหญ่ด้วยเท้าทาให้เรียบเอางวงจับกิ่งไม้กวาดตั้งแต่นั้นมาพระยาช้างนั้น เอางวงจับหม้อหลักน้ำฉันน้ำใช้มาตั้งไว้เมื่อส่งประสงค์ด้วยน้ำร้อนก็จัดน้ำร้อนถวายพระยาช้างนั้นจัดน้ำร้อนได้อย่างไรคือพระยาช้างนั้นเอางวงจับไม้แห้งสีให้ไฟติดใ่ฟืนให้ไฟลุกขึ้นเผาศิลาในกองไฟนั้นแล้วกลิ่งก้อนศิลาเหล่านั้นไปด้วยท่อนไม้ ทิ้งลงในสระน้อยที่กําหนดหมายไว้ลำดับนั้นเองวงจุ่มลงไปกรู้ว่าน้ําร้อนแล้วจึงไปถวายบังคมพระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าปาริเลยะกะเจ้าต้มน้ําแล้วหรือดั น, นี้แล้วก็เสด็จไปส่งในที่นั้นก็เมื่อพระศาสดาจะเสด็จเข้าบ้านเพื่อบิณฑบา พระยาช้างนั้นถือบาทจีวรของพระศาสดาวางไว้บนตะพองตามเสด็จพระศาสดาไปพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านจึงรับสั่งว่าปาริเลยกะตั้งแต่ที่นี้เจ้าไม่อาจไปได้เจ้าจงเอาบาทจีวรของเรามาแล้วก็ให้พระยาช้างนั้นเอาบาทจีวรมาถวายเสด็จเข้าไปในบ้าน เพื่อบินบาตส่วนพระยาชางนั้นยืนอยู่ที่นั้นเองจนกว่าพระศัส ด, สดาจะเสด็จออกมาในเวลาพระศัส ด, สดาเสด็จมาทำการต้อนรับแล้วถือบาทจีวรโดยนิยกก่อนนำไปและได้วางลงหน้าที่ประทับแล้วแสดงข้อวัดต่างๆถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายในราตรีพระยาช้างนั้นเอางวงจับท่อนไม้ใหญ่เที่ยวไปในระหว่างแห่งราบป่าจนรุ่งอรุณโดยตั้งใจว่าเราจะรักษาพระศาสดาได้ยินว่าราบป่านั้นชื่อว่ารักกิตวันจำเดิมแต่การนั้นหมาครั้นอรุณขึ้นแล้วพระยาช้างนั้น ทำข้อวัดทั้งปวงโดยอุบายนั้นนั่นแหลตั้งต้นแต่การถวายน้ำสงปพระพักคร์ระนั้นว่านอนตัวหนึ่งเห็น้างนั้นขมักคมันทำอภิสมาจาริกวัดคือการปฏิบัติแดพรัตถาโเจ้าแล้วก็มีความคิดว่าแม้เราก็จะทำอะไรอะไรถวายบ้างในวันหนึ่งเมื่อได้เที่ยวไปอยู่เห็นรวงพึ่งที่กิ่งไม้ หาตัวไม่ได้จึงหักกิ่งไม้แล้วนำรวงพึ่งพร้อมทั้งกิ่งไม้ไปสู่สำนักพระศ า, ศาสดาได้เด็ดใบตองรองถวายพระศ า, ศาสดาทรงรับแล้ววานอนและดูอยู่ด้วยคิดว่าพระศ า, ศาสดาจะทรงทำการบริโภคหรือไม่เนาเห็นพระศ า, ศาสดาทรงรับแล้วนั่งเฉยอยู่จึงคิดว่า อะไรเนาะแลจึงจะปลายกิ่งไม้พลิกพิจารณาดูเห็นตัวอ่อนแล้วจึงค่อยๆนําตัวอ่อนเหล่านั้นออกเสียแล้วได้ถวายใหม่พระศาสดาส่งบริโภคน้ําพึ่งของว่านอนนันแล้วว่านอนนั้นมีใจยินดีได้จับกิ่งไม้นั้นๆยื่นฟ้อนอยู่ในการนั้นกิ่งไม้ที่วานอนนั้นจับแล้วก็ดี กิ่งไม้ที่วานอนนั้นเหยียบแล้วก็ดีได้เกิดหักลงวานอนนั้นตกลงที่ปลายตออันหนึ่งทูปลายตอเสียบแล้วมีจิตเลื่อมใสทํากาลกิริยาแล้วเกิดในวิมานทองสูงส0โยชนโยในพบดาวดึงมีนางอับซรนพันหนึ่งเป็นบริวารการที่พระตถาคตเจ้าผู้อันพระยาช้างอุปตาก ประทับอยู่ในราปารักกิตวันนั้นได้ปรากฏในจุมบุตวีบทั้งสิน้นพระกุณใ ห, ใหญ่เป็นต้นอย่างนี้คือท่านเศรษฐีอนาตบินติกะและนางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ส่งสารจากนครสาวัตถีไปถึงท่านพระอ น, นุเตระว่าข้าแต่ท่านผู้มีอายุขอท่านจงแสดงพระศาสดา แก่พวกข้าพเจ้าฝ่ายภิกษุห้ารอรูปผู้อยู่ในที่ทั้งหลายออกพรรษาแล้วเข้าไปหาท่านพระอนนเตเทรัศวอนอยู่ว่าท่านอนุผู้มีอายุทำมกถาในที่เฉพาะพระพะักแห่งพระพุทธเจ้าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ได้ฟังมานานแล้วขอท่านพระอนนุผู้มีอายุให้โอกาสพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย จึงได้ฟังธรรมมิกถาในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิดพระเถระจึงได้าพาภิกษุเหล่านั้นไปณที่นั้นได้คิดขึ้นว่าการจะเข้าไปสู่สำนักพระตถาคตเจ้าผู้เสด็จอยู่พระองค์เดียวในตลอดไตรามาสพร้อมกับภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้หากวรไม่เลยดนี้แล้ว จึงได้พักภิกษุเหล่านั้นไว้ข้างนอกแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่รูปเดียวเท่านั้นเปริยช้างปาริเละยะกะเห็นพระนนเตระนั้นแล้วถือท้นไม้วิ่งเข้าไปหาพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสว่ารีบไปเสียปาริเลยกะอย่าห้ามเดออเลย ภิกษุนั้นเป็นพุทธอุปถากปริยาชางปร่ารีไหลกะานั้นทิ้งท่อนไม้เสียในที่นั่นเองแล้วได้แสดงอาการเอื้อเฟื้อถึงการรับบาจีวรนพระเทรรมิได้ให้แล้วปรียชางคิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้จะมีวัดอันได้เรียนแล้วท่านคงไม่วางบริการของตนไว้บนแผ่นศิลาที่ประทับ ของพระสัสดาพระเตระก็ได้วางบาตรจีวรไว้ที่พื้นนั่นแหละจึงอยู่ชนพูดถึงพรามด้วยวัดย่อมไม่วางบริการของตนไว้บนที่นั่งหรือบนที่นองของครูเปรียชางเห็นละการนั้นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสพระมหาเทระอภิวาทพระสัสดาแล้วนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่ง พระศาสดาตรัสถามว่าอ น, นุนเธอมาผู้เดียวอย่างนั้นหรอหรือแล้ได้ทรงทราบว่าพระเทระเป็นผู้มาพร้อมด้วยกับพิสุห้าร้อยรูปแล้วได้ตรัสถามว่าอ น, นุนก็พิกษุเหล่านั้นอยู่ที่ไหนกะเมื่อพระเทระกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบน้ำพระไทยของพระองค์จึงได้พักพวกเธอทั้งหลายไว้ข้างนอก มาเพียงแต่รูปเดียวพระชจ้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าเรียกเธอทั้งหลายมาเถิดพระเทราชได้ทําตามคารับสั่งแล้วภิกษุเหล่านั้นมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาทรงกระทำปฏิสันถานกับพวกเธอทั้งหลายแล้วก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อนและเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนพระองค์เสด็จยืนและประทับนั่งพระองค์เดียวตลอดไตรมาสทำกิจที่ควรทำได้โดยยากผู้ทำวัดน้อยวัดใหญ่ก็ดีผู้ถวายน้ำสงพระพักก็ดีชฉลอยจะไม่ได้มีแล้วดังนี้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าพิษุท์ทั้งหลาย กิจตั้งพวงของเราอันพระยาช้างป่าริเลยะกะทำแล้วก็บุคคลผู้ได้สายเห็นป่านนี้อยู่ด้วยกันควรแหละเมื่อไม่ได้สายเห็นป่านนี้ความเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าเราได้ตรัสภาษิตสามคาถาในนาข้าวักเหล่านี้ไว้ดังนี้ว่าถ้าบุคคลได้สายผู้มีปัญญารักษาตน มีปัญญาทรงจำมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันใช้บุคคลผู้ได้สายเห็นป่านนี้นั้นควรมีใจ ย, ยินดีมีสติครอบงำอันตรายซึ่งคอยเบียดเบียนราบข้างทั้งปวงเสียแล้วเที่ยวไปกับสายนั้นถ้าบุคคลไม่ได้สหาหผู้มีปัญญารักษาตน มีปัญญาทรงจำมีกุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันแล้วไซบุคคลนั้นขวนเที่ยวไปคนเดียวเหมือนพระราชาผู้ละแว่นแวลนที่พระองค์ทรงชนะแล้วชื่อว่าเป็นมาตังคะเที่ยวอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวการเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่า เพราะว่าความเป็นสายไม่มีในเพราะคนผ่านบุคคลผู้ไม่ได้สาหิเห็นป่านนั้นควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวและไม่ควรทําบาปทั้งหลายเหมือนพระยาชางชื่อมาตังคะผู้มีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปในป่าแต่ดูเดียวและหาได้ทําบาปไม่ในการจบรพระคาถาภิกษุเหล่านั้นทั้ง500อรูป ตั้งอยู่ในพระอาราธแล้วพระนนเตระราบทูลศารที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านเศรษฐีอนาคบบินทิกะเป็นต้นส่งมาแล้วราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยสาวกห้าโกรธมีท่านเศรษฐีอนาคบบินทิกะเป็นหนวหน้าหวังความเสด็จมาของพระองค์อยู่พระศาสดาจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้น เธอจงรับบาตรจีวรแล้วให้พระเทเรรับบาตรจีวรแล้วก็เสด็จออกไปพระยาชางได้ไปยืนขวางต่างแล้วพิกสุทั้งหลายเห็นดังนั้นทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จา ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระยาช้างทำอะไรพระเจ้าข้าพิสุทั้งหลายช้างหวังจะถวายภิกษาแก่พวกเธอทั้งหลาย ก็แลช้างนี้ได้ทำอุปการะแกเราเป็นเวลานานการทำจิตของช้างนี้ให้ขัดเกืองไม่ควนเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกลับเถิดประส า, าสดาจึงได้ทรงพาภิกษุทั้งหลายเสด็จกลับมาอยู่ที่ป่ารักกิตวันฝ่ายช้างเข้าไปสู่ราป่าแล้วรวบรวมผลไม้ต่างๆ มีผลขนุนนและกล้วยเป็นต้นมาทำให้เป็นกองไว้ในวันรุ่งขึ้นก็ได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุห้ารอยรูปไม่อาจฉันผลไม้ทั้งหลายให้หมดสิน้นในการเสร็จภารกิจพระศ า, าสดาทรงถือบาทจีวรเสด็จออกไปแล้วพระยาช้างเดินแซงไปตามช่องว่าง แห่งภิกษุทั้งหลายได้ยืนกวางพระพักพระศาสดาไว้ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช้างนี้ทำอะไรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายช้างนี้จะส่งพวกเธอไปแล้วชวนให้เรากลับลาดับนั้นพระศาสดารัดกับช้างนั้นว่าบาริเลยกะ นี้เป็นการไปไม่กลับของเราชานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมรรคและผลก็ดีย่อมไม่มีแก่เจ้าด้วยอัตภาพนี้เจ้าจงหยุดเถิดปริยาช้างได้ฟังรับสั่งดังนั้นแล้วได้สอดงวงเข้าปากร้องไห้เดินตามไปข้างหลังข้างหลังก็ปริยาช้างนั้นถ้าเชิญพระศาสดาให้กลับได้ ก็พึงปฏิบัติโดยอาการนั้นแหละจนตลอดชีวิตฝายพระสัสดาเสด็จถึงแดนบ้านแล้วจึงตรัสว่าป่าริเลยะกะจำเดิมแต่นี้ไปไม่ใช่ที่ของเจ้าเป็นที่อยู่ของหมู่มนุษย์มีอันตรายเบียดเบียนอยู่รอบข้างเจ้าจงหยุดเถิดช้างนั้นยืนร้องห้าอยู่ในที่นั้นครั้นเมื่อพระศาสดา ทรงละคลองแห่งจากสู่ไปก็มีหัวใจแตกทมกาละแล้วเกิดในท่ามกลางนางเทพอับสอนพันหนึ่งในวิมานทองสูงสามสิบโยน์ในพบดาวดึงเพราะความเลื่อมใสในพระศาสดาเทพระบุตรนั้นมีชื่อว่าปาริเลยกะเทพระบุตรฝายพระศาสดาได้เสด็จถึงพระเชตวันแล้ว โดยลำดับตอนภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทูลขอขมาพระศาสดาภิกษุชาวเมืองโกสัมพีสดับว่าได้ยินว่าพระศาสดาเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วก็ได้ไปนะที่นั้นเพื่อจะกราบทูลขอขมาพระศาสดาพระเจ้าโกศลทรงสับว่าได้ยินว่าพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผู้ก่อการแตกเล้าเหล่านั้นมาอยู่จึงเข้าไปเฝ้าพระศัสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่แวดแควนของหม่อมฉันพระศัสดา จ, จึงตรัสตอบว่ามาบาพิทภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลแต่ไม่ถือเอาคำของอัตมภาพเพราะวิวาทกันและกันเท่านั้นบัด น, นี้ เธอทั้งหลายมาเพื่อข อ, อกขมาอัต ร, รมภาพมหาบระพิษขอพิสูจน์เหล่านั้นจงมาเถิดฝ่ายท่านเศรษฐีนาตะบินทิกะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไม่ยอมให้พิสูตร์เหล่านั้นเข้ามาสู่วิหารแล้วถูกพระศาสดาทรงห้ามเสียงเหมือนอย่างนั้นได้นิ่งแล้วก็เมื่อพิกษุนเหล่านั้น ถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประทานเซนาสนะนะส่วนข้างหนึ่งทำให้เป็นที่สงัดแก่เธอทั้งหลายภิกษุเหล่าอื่นไม่นั่งไม่ยืนร่วมกับภิกษุพวกนั้นพวกชนผู้มาแล้วมาแล้วทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกไหนภิกษุ ชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นพระศาสดาทรงแสดงว่าพวกนั้นภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเหล่านั้นถูกพวกชนผู้มาแล้วมาแล้วชี้นิ้วว่าได้ยินว่านั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นได้ยินว่านั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นไม่อาจยกศีสระขึ้นเพราะความอายฟุบลงแทบบาดมูลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลก่อเข้ามาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระาศาสดาตรัสว่าพิกษุ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายทํากรรมหนักแล้วชื่อว่าเธอทั้งหลายแม้บวชแล้วในสันนัก ขอรับพุทธชาติผู้เช่นเราเมื่อเราสมานสามกิีอยู่ไม่ทำตามคาของเราไฟาบัณฑิตอันมีในปางกรสดบโอวาดของมารดาและบิดาผู้ต้องโทษประหารชีวิตเมื่อบิดามารดานั้นแม้ถูกปลงชีวิตอยู่ก็ไม่ล่วงโอวาดนั้นภายหลังได้กรองราชสมบัติในสองแ ว, วนแควน ดังนี้แล้วตรัสที่คาวุกุมารชาดกซ้ําอีกเหมือนกันแล้วได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายที่ขาวุกุมารถึงเมื่อพระชนนีและพระชนกถูกปรงพระชนอยู่อย่างนั้นก็ไม่ก้าวล่วงโอวาทของพระชนนีและพระชนกเหล่านั้นแล้วภายหลังได้ทิดาของพระเจ้ารบรมทัดครองราชสมบัติ ในแว่นแคว้นกาสีและแว่นแคว้นโกศลทั้งสองแล้วส่วนพวกเธอทั้งหลายไม่ทำตามคำของเราทำกรรมหนักแล้วจะได้ตรัสพระกถานี้ว่าก็ชนเราอื่นไม่รู้ว่าพวกเราพากันย่อยยับอยู่ในถ้มกลางสงนี้ฝ่ายชนเหล่าใดในสงนั้นย่อมรู้ชัดความหมายมั่น คือการตะล้ะกันและกันย่อมสงบเพราะการปฏิบัติคือความรู้ของชนพวกนั้นปะเรจะนะวิชานันติมยะเมทะยะมามหาเสเยจะตัฏฐะวิชานติตาโตสัมมันติเมทะขาก็ในคำเหล่านั้นคำว่าปะเรแปล ว, ว่าชนเหล่าอื่นหมายความว่า เราชนผู้ทำความแตกร้าวยกบัณฑิตทั้งหลายเสียคือพวกอื่นจากบัณฑิตนั้นชื่อว่าชนพวกอื่นชนพวกอื่นนั้นทำความวุ่นวายอยู่ในท่ามกลางสงนั้นย่อมไม่รู้ว่าเราทั้งหลายย่อมย่อยยับคือผลปีชิบหายได้แก่ไปสู่ที่ใกล้คือสำนักมรุตยูเป็นนิด ข้อที่ว่าเยจตัตถะวิชานันติแปลว่าฝ่ายชนเหล่าใดในสงนั้นย่อมรู้ชัดความว่าชนเหล่าใดผู้เป็นบัณฑิตในสงนั้นย่อมรู้ว่าเราทั้งหลายไปสู่ที่ใกล้มฤตยูข้อที่ว่าตะโตสัมมันติเมทะคาแปลว่าความหมายมั่นกันและกันย่อมสงบ เพราะการปฏิบัติของชนพวกนั้นหมายความว่าชนเหล่านั้นรู้อยู่อย่างนี้แหลยังการทําไว้ไหนใจโดยอุบายที่ชอบให้เกิดขึ้นแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อสงบความหมายมั่นเพื่อความทะเลาะ ก, กันเมื่อเป็นเช่นนั้นความหมายมั่นเหล่านั้นย่อมสงบเพราะความปฏิบัตินั้นของบัณฑิตเหล่านั้น อีกอย่างหนึ่งพึงทราบอธิบายในพระกาตานี้อย่างนี้ว่าคำว่าปะเรจะแปลว่าก็ชนเหล่าอื่นหมายความว่าชนทั้งหลายแม้อันเราตาคตเรเล่าสอนอยู่ในการก่อนว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้ทำความแตกรรากันดานี้เป็นต้นก็ไม่นับถือเพราะไม่รับโอวาทของเราชื่อว่าชนพวกอื่น ชนผู้อื่นนั้นย่อมไม่รู้ว่าเราทั้งหลายถือผิดด้วยอำนาจอคติมีฉันตาคติเป็นต้นย่อมย่อยยับได้แก่พยายามถึงความเจริญแห่งเหตุอันทำความพินาศมีการแตกร้าวกันเป็นต้นในท่ามกลางสงนี้แต่บัดนี้บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเราใดในระหว่างแห่งเธอทั้งหลายในสงนั้น เมื่อพิจารณาโดยแยบขาอยู่รู้ชัดว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายพยายามอยู่ด้วยอำนาจอคติมีสันตากคติเป็นต้นปฏิบัติโดยไม่แยบขายแล้วที่นั้นความหมายมั่นคือการทะเลาะกันในบัดนี้เหล่านี้ย่อมสงบเพราะอาศัยบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเหล่านั้นจากสำนักบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นแหล ในการจบระถาพิกษุผู้ประชุมกันได้ดำรงอยู่ในอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแหลเรื่องพิกษุชาวเมืองโกสัมพี